คนที่มีอายุเกือบจะครบห้ารอบแบบผมมองความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกเป็นเรื่องธรรมดามีสุขมีทุกข์หมุนเวียนกันไปทุกวันนี้เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตครั้งไหนก็รู้สึกว่าชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยประสบการณ์เหตุการณ์หลายอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบางครั้งก็เหลือเชื่ออย่างเมื่อ40ปีที่แล้วเป็นตัวอย่างผมเดินทางเข้าไปทํางานในลาวเมื่อราวปีพุทธศักราช2501 ตอนนั้นประเทศลาวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเริ่มต้นจากการค้าขายวัสดุก่อสร้างเล็กๆน้อยๆ อ, อาศัยเครดิตจากทางบ้านที่เมืองไทยเอาของจากเมืองไทยไปขายจากการที่ผมมีพักพวกมีเพื่อนฝูงที่สนิทสนมกันอยู่ในเวียงจันเป็นจำนวนมากหลังจากที่ได้กําไรจากการค้าขายจำนวนมากพอผมก็รับเหมาก่อสร้างจากงานเล็กๆไปจนถึงงานใหญ่ๆสองปีต่อมา บริษัทของผมก็เป็นที่รู้จักกันทั้งคนลาวแล้วก็คนไทยที่ไปประกอบกิจการต่างๆที่นั่นผมถือหลักการว่าทํางานด้วยความสุจริตตรงไปตรงมากําไรไม่มากแต่สร้างชื่อเสียงไว้สําหรับงานต่อๆไปที่บริษัทของผมนอกจากเสมียนวิศวกรกับคนงานอีกจํานวนหนึ่งแล้วผู้ช่วยคนสําคัญของผมคือพี่ปราโมทซึ่งเป็นคนไทยที่คุ้นเคยกันกับผมมาตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพ ต่อมาเมื่องานของผมเริ่มขยายตัวมากขึ้นผมก็เลยชวนพี่ปราโมทมาร่วมงานด้วยพี่ปราโมทแ ก, ก่กว่าผมหลายปีเป็นคนอารมณ์ดีคุยสนุกแล้วก็ใจคอกว้างขวางประสบการณ์จากการทำงานในบริษัทที่กรุงเทพของพี่ปราโมทกับความตรงไปตรงมานั้นบวกกับความซื่อสัตย์ทำให้ผมรักและก็นับถือแกในฐานะพี่ชายมากกว่าผู้ร่วมงานธรรมดา พี่ปราโมดดูแลงานทั่วไปตั้งแต่คุมสถานที่ก่อสร้างนอกเมืองจนกระทั่งเรื่องบัญชีดูแลลูกน้องในบริษัทด้วยความเอื้ออาทรใครมีทุกข์อย่างไรก็มักยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือจนพนักงานของเราทั้งคนไทยและคนลาวรักและก็นับถือแกไม่น้อยไปกว่าผมในปี2503มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในลาวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผมและพี่ปราโมด วันนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่นายพลภูมิหนอสวรรค์ได้ประกาศทำรัฐประหารจากนั้นก็แต่งตั้งนายพลกูประสิทธิ์อภัยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้มีการจัดการเลือกตั้งสสเพิ่มพอการเลือกตั้งครั้งนี้สิ้นสุดลงผู้คนก็ลือกันไปทั่วว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกมากที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวนอกกนั้นยังมีอิทธิพลของต่างชาติเข้าไปแทรกแซงอยู่มาก ทั้งอเมริกาและประเทศค่ายสังคมนิยมพอถึงวันที่เก้าสิงหาคม2503ร้อยเอกกองแลวิรส า, าลผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจที่เวียงจันทร์ในช่วงนั้นนายพลภูมีหนอสวรรค์กำลังประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ที่เมืองหลวงพระบางเมื่อได้ข่าวการปฏิวัตินายพลภูมีจึงกลับไปตั้งกองกาลังต่อต้านอยู่ที่เมืองสวนเขต ทางภาคใต้ของลาวในช่วงแรกเหตุการณ์ต่างๆในเวียงจันดูเหมือนว่าจะสงบเรียบร้อยดีตอนนั้นพี่ทำการบริษัทของเรายังเช่าเขาอยู่เป็นบ้านหลังใหญ่สองหลังในบริเวณเดียวกันอยู่ติดถนนสายสำคัญของเวียงจันด้านหน้ามีสนามหญ้าผมใช้อาคารหลังแรกเป็นบ้านพักส่วนอาคารด้านหลังใช้เป็นที่ทางาน อาคารสองหลังนี้อยู่ใกล้กันกับวงเวียนน้ำพุในปัจจุบันซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ตั้งของสำนัก ง, งานตำรวจกรุงเวียงจันทร์ช่วงที่มีการรัฐประหารผมกับพี่ปราโมทได้รับข่าวจากพรรคพวกที่อยู่ในวงการราชการว่าอย่าออกไปไหนในเวลากลางคืนเพราะพวกทหารเขาเข้มงวดกับคนต่างชาติเป็นพิเศษดีไม่ดีจะถูกจับกลุมไปสอบสวนโดนข้อหาเป็นสปายหรือเป็นแนวที่ห้านั่นเอง ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พวกเราคนไทยในเวียงจันลำบากมากอาหารการกินก็เริ่มอั ต, ตคัดเรือที่เคยข้ามไปมาระหว่างหนองไายกับเวียงจันไม่ค่อยมีมีการปิดพรมแดนคนธรรมดาอย่างพวกเราไม่อาจข้ามไปมากับฝั่งไทยได้เขายกเว้นให้แต่พวกข้าราชการสถานทูตผมกับพี่ปราโมทได้อาศัยพวกเพื่อ น, น, นที่เป็นข้าราชการสถานทูตส่งข่าวขาราวถึงบ้านที่เมืองไทย จนอีกหลายวันต่อมาเริ่มมีการยิงกันระหว่างฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายปฏิวัติผมจําได้แม่นยําจนบัดนี้ว่าวันที่เขาเริ่มมีการยิงต่อสู้กันนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงตรงพนักงานที่เป็นคนลาวเล่าให้ฟังว่าฝ่ายต่อต้านได้ตั้งแนวรถถังอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่4จากเวียงจันท์ส่วนฝ่ายปฏิวัติของกองร้อยเอกกองแลตั้งอยู่ที่มั่นอยู่ที่ค่ายจีนายโมมีเสียงปืนใหญ่ดังเป็นระยะระยะ เย็นวันนั้นผมจึงขอให้พนักงานและทุกคนนอนที่บริษัทเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นการไม่ปลอดภัยรวมทั้งพี่ปราโมทซึ่งเช่าบ้านอยู่อีกแห่งหนึ่งผมก็ขอให้นอนซะที่นั่นด้วยกันทั้งหมดถึงตอนเย็นผมสั่งให้คนครัวทําอาหารเลี้ยงกันที่หลังบ้านพักของผมในตอนค่มหลังจากรับประทานอาหารและพูดคุยกันจนดึกผมและพนักงานต่างก็แยกย้ายกันไปเข้าที่พักมีเสียงปืนแววมาเป็นระยะจากไกล ผมบอกให้พี่ปราโมทขึ้นมานอนบนบ้านผมแกก็ไม่ยอมขึ้นบอกว่าจะขอนอนที่อาคารด้านหลังที่พวกพนักงานนอนในคืนนั้นเช้าขึ้นผมตื่นแต่เชา้าแม่ครัวหุงหาอาหารเลี้ยงพวกพนักงานตามปกติเวลานั้นเสียงปืนเริ่มถี่ขึ้นมีเสียงปืนใหญ่ดังเป็นช่วงๆบางลูกข้ามอาคารที่พักของเราไปใครบางคนพูดขึ้นว่า บริษัทของเราอยู่ระหว่างค่ายจินายโมกับสนามบินวัดไตน่ากลัวว่ากระสุนปืนใหญ่บางลูกอาจจะพลาดมาตกลงที่นี่เอาบ้างก็เป็นได้ทำให้ผมชักเกิดอาการหวั่นๆวันพี่ประโมทไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นอะไรกลับสั่งให้พวกพนักงานเข้าทำงานตามปกติจนเวลาราว11โมงของวันนั้นเองได้เกิดเหตุร้ายขึ้นตอนนั้นผมนั่งทางานอยู่ในอาคารที่ทางานชั้นล่าง ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นจนพื้นดินสะเทือนเสียงกระจกแตกดังโครมใหญ่พร้อมๆตัวอาคารสะเทือนไปทั้งหลังจากนั้นก็มีเสียงวีดร้องของพวกพนักงานผู้หญิงพอผมเปิดประตูห้องออกมาก็ต้องตกตะลึงหลังคาอาคารด้านหน้าที่เรานั่งทำงานกันอยู่พังไปทั้งแถบกระจกบานเกล็ดตรงทางเข้าแตกกระจายเศษกระจกและเศษไม้เกลื่อนไปทั่วบริเวณ ที่ทำงานของเราถูกกระสุนปืนครกเข้าเต็มเปล่าพอมองไปตรงพื้นหน้าประตูผมก็ต้องตกใจสุดขีดพี่ปราโมทนอนหงายอยู่กับพื้นตรงประตูทางเข้าเสื้อสีขาวที่สวมอยู่เต็มไปด้วยเลือดผมวิ่งเข้าไปนั่งใกล้กๆพี่ปราโมทที่ถูกสะเก็ดกระสุนปืนครกเข้าที่ท้องและหน้าอกเป็นแผลชะกันคงสิ้นใจตั้งแต่ยังไม่ล้มลงด้วยซ้า คนขับรถกับผมสองคนหามร่างที่เต็มไปด้วยเลือดของพี่ปราโม์ไปไว้บนม้านั่งที่อยู่ข้างประตูทางเข้าพนักงานที่มามุงดูพี่ปราโม์ร้องไห้กันระงมผมเองก็น้ําตาไหลอย่างกลั้นไม่อยู่รีบสั่งการให้พนักงานของบริษัทคนหนึ่งออกไปสถานทูตเพื่อขอให้ติดต่อญาติพี่น้องของพี่ปราโมดที่อยู่ที่เมืองไทยเนื่องจากขณะนั้นยังมีการสู้รบกันเป็นระยะ ตามถนนมีด่านตรวจของทหารอยู่มากมายไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนกว่าพนักงานที่ผมใช้ให้ไปติดต่อเรื่องการขออนุญาตส่งศพพี่ปราโมทข้ามแม่น้ำโขงไปเมืองไทยจะกลับมาได้ก็เป็นตอนเย็นผมได้รับทราบว่าข้าราชการที่สถานทูตได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเอารถยนต์ของสถานทูตออกไปช่วยติดต่อเรื่องการส่งศพพี่ปราโมทโดยไม่เกรงกลัวภัยสงคราม ในวันนั้นกว่าจะเอาศพเข้าลงบรรทุกรถไปลงเรือที่จ้างเป็นพิเศษเพื่อส่งไปยังฝั่งหนองคายได้ก็เกือบคำ่ำบรรดาญาติพี่น้องของพี่ปราดามโธสมารับศพไปบำเพ็ญกุศลผมไม่อาจไปร่วมงานได้เพราะสถานการณ์ในขณะนั้นไม่อำนวยได้แต่ฝากเงินทำบุญไปด้วยหลังจากการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นเวลาถึง18วันนั้น ช่วงเวลานั้นผมประกาศหยุดงานเพราะเกรงว่าจะไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับพนักงานที่จะออกจากบ้านมาทำงานเหตุการณ์ที่ว่านี้ทำให้การทำงานก่อสร้างของบริษัทเราที่อยู่ใกล้กับสนามบินจำเป็นต้องหยุดชะงักผมติดตามข่าวคราวอย่างใกล้ชิดจากทุกแหล่งข่าวที่สามารถจะติดต่อได้จนวันที่14ธันวาคมก็ทราบว่ากองกำลังต่อต้านของนายพลภูมิเป็นฝ่ายมีชัยอย่างเด็ดขาด กองทหารฝ่ายร้อยเอกกองแลและเจ้าสุวรรณภูมาทิ้งเวียงจันทร์ไปอยู่ในเขตการยึดการปกครองของฝ่ายซ้ายทางตอนเหนือในพลภูมิตั้งเจ้าบุญอุ้มน้าจปาสักดิ์เป็นนายกส่วนเจ้าสุวรรณภูมาก็ยังประกาศตัวเป็นนายกอยู่เราจึงมีนายกทีเดียวสองคนสร้างความสับสนให้กับหลายๆคนนั่นเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งจําเป็นต้องนํามาเล่าไว้ หลังจากที่ส่งศพพี่ปราโมทไปเมืองไทยแล้วเก้าอี้ยาวที่เราวางร่างของพี่ปราโมทไว้ก็ยังคงอยู่ที่เดิมบนมานั่งตัวนั้นมีคราบเลือดเป็นรอยเท่ากับร่างของพี่ปราโมทผมยังได้สั่งให้คนงานล้างคราบเลือดที่ติดอยู่กับม้ายาวตัวนั้นออกแต่ไม่ว่าคนงานจะล้างกี่ครั้งกี่ครั้งคราบเลือดก็ยังคงติดแน่นเป็นรูปร่างเหมือนคนนอนบนมานั่งอยู่อย่างนั้น ผมได้สั่งให้เอาน้ำยากัดสีล้างม้านั่งตัวนั้นจนแล็กเกอร์ที่ทาไม้ลอกเห็นเนื้อไม้ของเดิมตามธรรมชาติแต่อีกไม่กี่วันคราบเลือดก็ปรากฏขึ้นจางๆเป็นรอยคนนอนอยู่อย่างเก่าจนในที่สุดผมต้องสั่งให้เอาสีน้ำมันสีขาวทาทับลงไปหลายครั้งเพื่อไม่ให้เห็นร่องรอยอานากลัวนั้นหลายวันต่อมามีคนเห็นพี่ปราโมดเดินเล่นในสนามตอนพลบค่า บางทีก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์บนม้ายาวตัวนั้นตอนเช้าตรู่พนักงานของเรากลัวกันมากไม่มีใครยอมอยู่ในที่ทำงานคนเดียวใครมีธุระปะปังอะไรก็ต้องชวนกันเข้าไปเป็นเพื่อนยิ่งมืดมืดคำ่คำเป็นเวลาที่ไม่มีใครยอมเข้าไปในที่ทำงานกระทั่งเวลาพนักงานหญิงเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังของอาคารที่ต้องชวนเพื่อนไปพร้อมกันเวลานั้นผมยังโสดนอนอยู่บ้านตรงอาคารด้านหน้าคนเดียว ได้ยินคนพวกนั้นพูดกันมากก็อดกลัวไม่ได้แต่ก็คิดว่าพวกพนักงานอาจจะตาฝาดไปเองผมอยู่ที่ประเทศลาวมานานพอจะรู้ว่าคนลาวส่วนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่เป็นทุนเห็นอะไรเข้าหน่อยก็คอยจะทึกทักไปวันหนึ่งตอนเย็นสักหกโมงเย็นเห็นจะได้ผมนั่งทํางานอยู่ในห้องมีเสียงหวีดร้องออกมาจากห้องโถงตรงหน้าห้องทํางาน พอผมออกมาดูก็ได้ความว่าพนักงานหญิงคนนึงกำลังจะกลับบ้านพอผ่านห้องโถงเห็นพี่ปราโมทนั่งยิ้มอยู่ตรงมานั่งหน้าห้องทำงานแวบเดียวก็หายไปวันรุ่งขึ้นพนักงานคนนั้นขอลาออกจากบริษัทไม่ว่าผมจะเกลียกล่อมอย่างไรก็ไม่ยอมเหตุการณ์อย่างนี้เริ่มมีบ่อยขึ้นแต่ผมไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากนั้นหลายเดือนึ้นวันหนึ่งผมนอนอยู่คนเดียวในห้องนอนบนบ้านพัก ผมฝันเห็นพี่ปราโมทเดินเข้ามาในห้องพี่ปราโมทหน้าตาแจ่มใสสวมเสื้อเชิดสีขาวมาหยุดอยู่ตรงเตียงนอนผมแล้วก็พูดขึ้นว่าพี่ลาแล้วนะถึงเวลาแล้วพูดเท่านั้นก็เดินออกไปจากห้องหลังจากวันนั้นแล้วไม่เคยมีใครบอกว่าเห็นพี่ปราโมทอีกเลยหลังจากสภาพทางการเมืองเข้าสู่สภาวะปกติแล้วบริษัทของเราก็จเจริญก้าวหน้าขึ้น ผมได้งานก่อสร้างอีกหลายแห่งจนอีก4ปีต่อมาผมก็สามารถที่จะซื้ออาคารที่ทำงานของตัวเองใกล้ๆ ก, กันกับที่เดิมแต่อีกเพียง10ปีให้หลังผมก็เลิกกิจการบริษัทและ อ, อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพราะสาเหตุสำคัญที่จะเล่าต่อไปคนที่สนใจการเมืองของเราคงจะจำได้ว่า หลังจากการปฏิวัติครั้งนั้นอีก 3-4 ปีก็เป็นช่วงของสงครามเย็นในอินโดจีนในลาวก็เช่นกันได้เกิดการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาสหรัฐได้ส่งทหารเข้ามาสนับสนุนฝ่ายขวาในขณะที่กลุ่มประเทศคอมมิวนสิสต์ให้การสนับสนุนกองกำลังของกระบวนการประเทศลาวซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายการสู้รบยืดเยื้ออยู่หลายปี จนในปีพุทธศักราช2516มีการทำสัญญาสงบศึกระหว่างผู้แทนรัฐบาลกษัตริย์กับขบวนการประเทศลาวมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นในลาวหลังจากนั้นความวุ่นวายในประเทศนี้ก็กลับเพิ่มมากขึ้นบรรดาฝ่ายขวาและนักธุรกิจนายทุนต่างพากันยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินซึ่งเป็นทองคาและเงินตราไปไว้ในต่างประเทศทาให้ภาวะเศรษฐกิจในลาวตกอยู่ในภาวะวิกฤต ทางทหารฝ่ายขวาก็เกิดการแตกแยกมีการเข้ายึดโรงเรียนนาร้อยและเรียกร้องให้ผู้บัญชาการลาออกเพราะช่อราชบังหลวงมีการเดินขบวนต่อต้านอเมริกันทหารของฝ่ายซ้ายเข้ายึดเมืองปากเซและเมืองท่าแขกทางตอนใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2518จนถึงเดือนสิงหาคมขบวนการประเทศลาวประกาศว่ายึดอำนาจไว้ได้แล้วทั้งประเทศ จนวันที่สองธันวาคมปีเดียวกันก็มีการยุบสถาบันกษัตริย์และเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาวอย่างสมบูรณ์บริษัทของเราเห็นว่าคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ลำบากจึงเลิกกิจการในช่วงนี้นี่เองและเมื่อไม่นานมานี้ผมไปเวียงจันได้เห็นอาคารสร้างใหม่ๆหลายแห่งแต่ว่าเพื่อนๆที่คุ้นเคยกันในสมัยก่อนแทบไม่เหลือเพราะอพยพไปอยู่ต่างประเทศกันเกือบหมดตายไปก็มีมาก ตอนเย็นวันนั้นผมยังมีเวลาก่อนนัดรับประทานอาหารเย็นกับคณะจึงนั่งรถผ่านไปที่บ้านที่เราเคยเช่าเป็นที่ทำงานแปลกใจที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นแม้จะดูเก่าโทมเพราะขาดการดูแลถนนสายหน้าบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นเพราะกำลังมีการก่อสร้างผมบอกให้คนขับรถจอดหน้าบ้านสังเกตเห็นว่าประตูรั้วหน้าบ้านมีโซ่คล้องไว้พร้อมกับกุญแจดอกใหญ่ผมลงจากรถเดินไปที่ประตูรัว้ว มองลอดประตูเข้าไปยังอาคารด้านหลังที่เคยใช้เป็นสำนักงานเห็นแล้วก็คิดถึงพี่ประโมทที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่แล้วก็ต้องแปลกใจที่เห็นมานั่งสีขาวตัวเก่าคร่ำวางอยู่ข้างประตูที่เดิมที่ผมแน่ใจว่าใช่ตัวเดิมเพราะสีขาวนั้นผมเป็นคนสั่งให้ทาด้วยตัวเองรอยแหว่งของพนักด้านขวาก็ยังเหมือนเดิมแม้ว่าขณะ น, นี้สีที่เคยขาวจะดูหม่นหมองไปตามกาลเวลา ผมหันกลับมาขึ้นรถบอกให้คนขับขับไปยังร้านอาหารที่นัดหมายกันไว้พอรถออกผมหันไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นแม้จะยังไม่มืดแต่ก็เห็นตัวบ้านไม่ชัดซะแล้วเพราะน้ำตาที่ไหลออกมายัางไม่รู้สาเหตุ